อวิชชาทำให้เกิดวัตสงสารตราบใดที่อวิชชายังอยู่เรายังอยู่ความปรุงแต่งก็ไม่ขาดฉะนั้นถ้าเรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจจะรู้ความจริงว่านอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีเราที่ไหนเลยเพะความเป็นเราไม่มีความปรุงแต่งจะไม่มีความพ้นทุกก็เกิดขึ้น แท้จริงตันหาตัวสมุทัยกับทุกข์มันอิงอาศัยซึ่งกันและกันทำให้วัตะสงสารหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะมีสมุทยัยมีตันหาจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัยอันนี้ดูยากเพราะถ้ารู้ทุกข์เป็นพระอรหันต์เลยนะเพราะฉะนั้นสังสารวัฏจะอิงกันระหว่างทุกข์และสมุทยัยไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าเราไม่มีนะ มันถึงเกิดอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกข์พอมีความอยากจิตยิ่งดิน้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์แล้วก็ยิ่งดิน้นนีวตัตตสงสารหมุนเวียนอย่างนี้ตลอดส่วนวิวตัตตาอยู่ตรงที่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งสมุทัยจะถูกละโดยอัตโนมัติถ้าสมุทัยถูกละจนหมดนิโรธคือนิพพานจะแจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตาการรู้ทุกข์จนละสมุทยัยแจ้งนิโรธเรียกว่าอริยมรรค